วิหาริวรัตหมวดว่าด้วยพระเถระผู้อยู่ผู้เดียวเป็นต้นหนึ่งเอกวิหาริยะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระเอกวิหาริยะเถระพระเอกวิหาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตามพระโคดผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของท้าวมหาพรหม มีพระย์ยิ่งใหญ่ประเสริฐขว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าปราศจากธรรมเครื่องหน่วงเหนียวมีพระไทยเสมอด้วยอากาศมีปกติอยู่ในที่วิเวกเป็นผู้คงที่ยินดีในอนิมิตตสมาธิมีความชำนาญในญาณมีพระไทยไม่เกี่ยวข้องในอารมณ์ไม่มีตัณหาแปกเปื้อนเม่คลุกคลีในตะกูลในหมู่คณะ ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเป็นนักปราชทรงฉลาดในอุบายสำหรับแนะนำทรงนขนควายนิยมของผู้อื่นทรงแนะนำทั้งมนุษย์และเทวดาทรงแนะนำทางไปสู่พระนิพพานอันสามารถยังเปืต่ตมคือคติให้เหือดแห้งและทรงแนะนำพระนิพพานอันเป็นอมตะมีความแช่มชื่นอย่างยิ่งเป็นธรรมเครื่องกั้นความแก่และความตาย พระองค์ประทับนั่งท่ามกลางบริษัทใหญ่ทรงช่วยสัตว์โลกให้ข้ามพ้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งมีพระสุรเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกกระเวกมีพระสุรเสียงก้องดังเสียงพรมทรงถอนเวเนสตว์ผู้จะชีบหายเพราะขาดผู้แนะนําขึ้นจากมหันตทุกข์ข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกผู้ทรงแสดงธรรมที่ปราศจากทุลีคือกิเลส ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วจึงออกบวชเป็นภิกษุครั้นบวชแล้วในการนั้นข้าพเจ้าถูกความครุกคลีบีบครั้นคิดถึงคำสอนของพระชินเจ้าจึงได้ไปอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นการดับแห่งจักายทิฐิอันเป็นเหตุแห่งความยึดมั่นเกิดใส่ข้าพเจ้าผู้มีความวิเวกแห่งจิตผู้เห็นภัยในความเกี่ยวข้องกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, าได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัด ก, กิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะดูดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระวิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เพือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกวิหารยะเทระได้พาสึกคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิเอกวิหา ร, ย, ร, ะระาะยะเทราประธานที่หนึ่งจบสองเอกสังคยะเทราประธานประวัติในดิจิชาตของพระเอกสังคยะเทระพระเอกสังคยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีงานสมโพธ์ต้นมหาโพธิ์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีมหาชนมาชุมนุมกันบูชาต้นมหาโพธิ์ที่ประเสริฐข้าพเจ้าเกิดความดมฤทธิ์ว่าต้นมหาโพธินี้ที่ควรบูชาเช่นนี้ของพระาศาสดาพระองค์ใดย่อมแสดงว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นจะเป็นผู้เว้นจากความเศร้าโศกมาก ทรงมีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้งนั้นเขาพเจ้าถือสังเป่าบูชาต้นโพตลอดวันแล้วไหว้ต้นมหาโพที่ประเสริฐเมื่อร่างกายเขาพระเจ้าล้มตายลงกรรมที่เขาพระเจ้าได้ทำในเวลาใกล้ตายส่งผลให้เขาพระเจ้าถึงเทวโลกและเขาพเจ้าได้รื่นรมอยู่ในเทวโลกเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นมีเสียงน่ายินดีน่าร่าเริงบันเทิงใจ ขับกลมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่เจ็สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัศนะมีชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตครั้งนั้นเครื่องดนตรีแปดร้อยชิ้นแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าได้รับผลบุญของตน นี้เป็นผลแห่งการบำรุงต้นโพข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามถึงข้าพเจ้ายังอยู่ในคันมารดากลองก็ประค ม, มอยู่ตลอดเวลาเพราะอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงได้สวยสมบัติทั้งหลายและบรรลุนิพพานบทอันไม่หวั่นไหวเป็นแดนเกษมจากภัยเป็นอมตะธรรมและไม่มีมนทิน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 ได้ทราบว่าท่านพระเอกสังคยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการะน้เอกสังคยะเทราประธานที่สองจบ 3. ปาติหิระสัญญะเทราประธานประวัติในดิจชาของพระปาติหิระสัญญาเทระพระปาติหิระสัญญะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิิชาติของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้สมควรรับเครื่องบูชาได้เสด็จเข้าไปยังพระนครพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ผู้ได้วสีจํานวนหนึ่งแสนรูปทันทีที่พระพุทธเจ้าผู้สงบผู้คงที่เสด็จเข้าพระนครก็ได้มีเสียงกึกก้องให้การต้อนรับตามถนนเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าพระนครพินที่ไม่มีคนดีคนเคาะ ก็บริเลงเพื่นเองด้วยพุทธานุภาพข้าพเจ้านมัจ ก, การพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นมหามุนีและเห็นปฏิหารแล้วได้ทําจิตให้เลื่อมใสในปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์การที่เรามาประจบกับพระาศาสดาช่างหน้าอัศจรรย์เครื่องดนตรีแม้ปราศจากจิตวิญญาณก็ยังบันเลงได้เอง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 ท่านพระปาติหิระสัญญกะเทระได้ภาสิทธาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ปาติหิระสัญญกะเทราประธานที่สามจบสญาณัทธวิกะเทระประธานประวัติในดิจชาตของพระญาณัทธวิกะเทระพระญาณัทธวิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ร่ ong เรือ ง, งดังดอกปณิกาโชดช่วงดังต้นพุทธสากระทีบไพโรดดังทองคำข้าพเจ้าวางคนโท น, น้ำผ้าเปลือกไม้ทำรรมักร ก, กระบอกกรองน้ําทําหนังเสือเฉวียงบาแล้วสดุดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดว่าข้าแต่พระมุนีพระองค์ทรงขจัดความมืดมน ซึงอากูลไปด้วยข่ายคือโมหะทรงแสดงแสงสว่างคือยานแล้วเสด็จข้ามไปพระองค์ทรงถอนสัตว์โลกนี้ขึ้นจากวัฏสงสารแล้วพระยานอันอย่างรู้สรรพสิ่งของพระองค์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมคติทั่วล่าก็มีอาจเปรียบได้กับพระยานของพระองค์ด้วยพระยานนั้นชาวโลกจึงขนานพระนามพระองค์ว่าสัพพัญยูสัพพัญยู ้าพระพุทธเจ้าว่ายพระองค์ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ทรงทราบธรรมทั้งปวงหาอาชะวะนี้ได้เลขกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สรุปดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรุ ด, ดีพระพุทธญาณกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิตชาตของพระอุจจุคันธิกะเทระพระอุจจุคันธิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันทุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่า วิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุ ก, กติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายท่อนอ้อยกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งโปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วจู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำจำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุชุคันธิกะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยพระการะชนิอุชุคันธิกะเทราประธานที่ห้าจบหกกลัมพระทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระกลัมพระทายกะเทระพระกลัมพระทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโรมะสะประทับอยู่ที่ซอกภูเขาเข้าระเจ้าเลื่อมใสได้ถวายผักบุงแด่พระองค์ด้วยมือทั้งสองของตนเนี่ยกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเข้าระเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผักบุง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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระกะลัมพระทายกะเทระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิกลัมพระทายกะเทราประธานที่หกจบเจ็ด อัมพาต ก, กะทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระอัมพาต ก, กะทายกะเทระพระอัมพาต ก, กะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าที่ป่าใหญ่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยามภูผู้มีทรงไพ่แพ้จึงได้ถือผลมะกรอกมาถวายพระสยามภูเลขกกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์ปและอภิญญาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, ขาเาขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอัมพากตะกะทายกะเทระ ได้ภาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิขัมพาตกะทายกะเทราประธานที่เจดจบ8ปารีตกะทายกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระหารีตกะทายกะเทระพระหารีตกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้ากําลังนําผลสมอผลมะขามป้อมผลมะม่วง ผลว่าผลสมอพิเภกผลกระเบาผลรกฟ้าและผลมาตูมาด้วยตนเองข้าพเจ้าได้พบพระมหามุนีผู้มีปกติเข้าฌานยินดีในฌานเป็นมุนีถูกอาพาธเบียดเบียนทรงเดินทางไกลประทับอยู่ที่เนื้อภูเขาข้าพเจ้าจึงนําผลสมอมาถวายพระสยามภูเพียงข้าพเจ้าปรุงเภสัชเสร็จแล้ว ความเจ็บป่วยก็หายไปในทันใดนั่นเองพระพุทธเจ้าผู้ละความกระวนกระวายได้แล้วได้ทรงอนุโมทนาว่าก็ด้วยการถวายเพสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องระ ง, งับความเจ็บป่วยนี้ท่านจะเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือเกิดในชาติอื่นๆก็ตามขอจงเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานและอย่าได้มีความเจ็บป่วยเลยครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยามภูร ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ผู้ทรงเป็นนักปราชปราดดังนี้แล้วได้เสด็จหอขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพญาหงไปในอากาศเขาพระเจ้าได้ถวายผลสมอแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยามภูผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในชาติใดความเจ็บป่วยจึงไม่ได้เกิดแส่เขาพระเจ้าอีกเลยจนถึงชาตินี้ภพนี้เป็นภพสุดท้ายของเขาพเจ้าภพสุดท้ายกาลังเป็นไปอยู่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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระหริตกะทายกะเทระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ฮ ร, ริตกะทายกะเทราประธานที่แปดจบเก้ 9. อัมภปินทยะเทราประธานประวัติในดิจชาตของพระอัมพปินทยะเทระ พระอัมพะปิทิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดุตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพญาช้างมีงางงอนงามเหมาะที่จะเป็นราชพานะเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้าได้หยิบชิ้นมะม่วงมาถวายพระาศาสดาพระมหาวีระพระนามว่าทศัท ธ, ธะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรับแล้ว ขณะที่ข้าพเจ้าเพ่งดูอยู่พระชินเจ้าได้สวยแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระชินเจ้าพระองค์นั้นแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้าพเจ้าจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วได้สวยสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโดยอุบายนั้นแหละข้าพเจ้ามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบําเพ็ญเพียรมีจิตสงบระงับไม่มีอุปธิกาหนดรู้อาศวะทั้งปวงแล้ว จึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะเีขกลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุพรยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระอัมพะปินญยะเทระได้พาจุดคาถาเหล่านี้ได้ประกาศนิอัมพะปินญญยเทราประธานที่เก้าจบสิทธชัมพูภริยะเทราประธานประวัติในดิชาตาของพระชัมภูภริยะเทระพระชัมภูภริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ทรงพระยศอย่างสูงสุดซึ่งกำลังเสด็จเที่ยวบินทบาตข้าพเจ้ามีจิตเริ่มใสได้ถือเอาผลว่าไปถวายพระศาสดาผู้เป็นทักษินายบุคคลผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อา่รนรชนเพราะการรมนั้น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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระชัมภูภ ร, ริยะเถระได้พาสุกคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ชมภูภ ร, ริยะเถราประทานที่สิบจบเอากาวิหาริวักที่สี่สิบสี่จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวักนี้คือหนึ่งเอากาวิหาริยะเถราประทานสอง เอกสังคิยเทราประทาน 3. ปาติหิระสัญญกะเทราประทาน 4. ี่ยานัทถวิกะเทราประทานห้าอุชุขันธิกะเทราประทาน 6. กกลัมพะทายกะเทราประทาน 7. อัมพาตกะทายกะเทราประทาน 8. ปดฮริตกะทายกะเทราประทาน 9. อัมภปิทญยะเทราประทาน ชมพูภริยะเถราประธานในวักนี้บัณฑิตนักผ า, าได้แปดสิาดสี่สิบห้าวิเพทกีวักหมวดว่าด้วยพระวิเพท ก, กะเป็นต้นหนึ่ง วิเพทกะพีชยะเทราประทานประวัติในดิทจชาของพระวิเพทกะพีชยะเทระพระวิเภทกะพีชยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิทจชาของตนจึงกล่าวว่าพระมหาวีรพุทธเจ้าผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงพระนามว่ากรกุสันทะพระองค์เสด็จออกจากคณะไปสู่ป่า ข้าพเจ้าได้ใช้เถาวัลร้อยเจ้าตานเถีเที่ยวไปแล้วสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าฌานอยู่ที่ซอกภูเขาข้าพเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพแล้วมีจิตเลื่อมใสได้ถวายเจ้าตานแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นทักิณายบุคคลผู้ทรงเป็นนักปราชดข้าพเจ้าได้ถวายพืชไว้ในครั้งนั้นในภัทระกับนี้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 วิเภทกะพิชยเทราประทานที่หนึ่งจบสองโกลทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระโกลทายกะเทระพระโกลทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้านุ่งผ้านหนังสัตว์หมผ้าเปลือกไม้บรรจุพลพุทราจนเต็มหาบแล้วหาไปยังอาสมของข้าพเจ้า การนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้ทรงทําโลกให้สว่างสวัยตลอดกาลได้จะเด็ตเข้ามายังอาสมของข้าพเจ้าเพียงลําพังพระองค์เดียวข้าพเจ้าทําจีของตนให้เลื่อมใสและไหวพระพุทธเจ้าผู้มีวัดงดงามและถวายผลพุชาแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลพุชาไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลพุทธากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะดึกพยาชางตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการทิพยข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้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 ได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศ น, นี้โกลทายกะเทราประธานที่สองจบสเวลุวะพลายะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเวลุวะพลายะเทระพระเวลุวะพลายะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าใกล้ฝั่งแม่น้ําจันทภาคา ข้าพเจ้าได้สร้างอาสมไว้อย่างดีมีต้นมะตูมอยู่เรียงรายเป็นที่รวมหมู่ไม้นานาพันข้าพเจ้าเห็นผลมะตูมมีกลิ่นหอมแล้วเราลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทั้งยินดีและตื่นเต้นได้เก็บผลมะตูมใส่หาบจนเต็มเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะมีจิตเลื่อมใสได้ถวายผลมะตูมสุขแด่พระองค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ผู้ทรงเป็นนักปราดเข้าพระเจ้าได้ถวายผลมะตูมไว้ในตอนต้นแห่งพัทระกลับนี้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลมะตูมกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วภกทั้งปวงเขาพเจ้ากรถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัด ก, กิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระเวลุวะภริยะเทระได้พาเิตค थ าเหล่านี้ด้วยประการศนี้เวลุวะภริยะเทระประธานที่สามจบสพัฏลาตกะทายกะเทระประธานประวัติในดิจฉ่าของพระพัฏลาตกะทายกะเทระพระพัฏลาตกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำมีพระลักษณะอันประเสริฐสามบสองประการดุดต้นพยาไม้สาระที่มีดอกบานสะพรั่งกำลังเสด็จเหาะไปทางอากาศข้าพเจ้าได้ปูลากเครื่องลาดหญ้าทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดขอพระพุทธเจ้าจงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายภิกษา พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐศีผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบเพื่อพระกรุณามีปพระย์ยิ่งใหญ่ได้ทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าจึงเสด็จลงมาที่อาสมของข้าพเจ้าครั้นแล้วพระองค์ได้ประทับบนเครื่องลาดใบไม้ข้าพเจ้าได้เถอผลรกฟ้ามาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดขณะที่ข้าพเจ้าเพ่งดูอยู่พระชินเจ้าได้เสวยแล้วในครั้งนั้น ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระจินเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ในครั้งนั้นได้ไหว้พระจินเจ้าอีกในกลับที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ยิเลททั้งหลายข้าพเจ้าข้เผาได้แล้วพบทัางปวงข้าพเจ้าขถอนได้แล้ว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 และอภิญญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพันละตกะกะทายกะเทระได้พาสิขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้พันละตะกะทายกะเทราประธานที่สี่จบหอุมาปุพยะเทราประธาน ประวัติในดิจชาของพระอุมาปุพยะเทระพระอุมาปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อต้นใสซึ่งเป็นต้นไม้อันเป็นสถานที่ตรัสรู้งอกงามเขียวขจีเขาพระเจ้าได้ประคองดอกผักตบขึ้นบูชาต้นไม้อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ในพระตรากับนี้เขาพระเจ้าได้บูชาต้นไม้อันเป็นสถานที่ตรัสรู้รร ไ, ไ, รรไว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 ได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ภูมาปุพิยาเทราประทานที่ห้าจบหกอัมพาตะกิยาเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระอัมพาตะกิยาเถระพระอัมพาตะกิยาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าพระมุนีพระนามว่าเวสภูสเสด็จเข้าไปยังป่าไม้สาละ ซึงมีดอกบานสะพรั่งประทับนั่งอยู่ที่ซ้อภูเขาดุษฎยาราชสีมีชาติสูงเขาพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ดอกมากอก บ, บูชาพระมหาวีระผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาวไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 สีหาสนิกเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระสีหาชนิกเถระพระสีหาชนิกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายพระแท่นสีหาดแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ข้าพเจ้าอยู่ในโลกใดๆ คือจะเป็นเทวโลกหรือมนุษย์โลกก็ตามในโลกนั้นๆเขาพเจ้าได้วิมานอันไพยบูรณ์นี้เป็นผลแห่งการถวายพระแท่านสีหหาดบรรลังทองบรรลังเงินบรรลังแก้วทับทิมและบรรลังแก้วมณีจำนวนมากบังเกิดแส่เขาพเจ้าในการทุกเมื่อเขาพเจ้าได้สร้างอาสนะไว้ที่ควงไม้สนอันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระ แล้วได้บังเกิดในตระกูลสูงน่าอัศจรรย์พระธรรมเป็นธรรมดีเนี่กลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทำพระแท่นสีหาหกไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระแท่นสีห์หกกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบจังปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาวะ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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำาสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสีหาสนิกะเทระได้ภาศึลย์าถาเหล่านี้เพื่อประการศชนิษสีหาสนิกะเทราประธานที่เจ็ดจบ8ปาทพีทิยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระปาทพีทิยะเทระพระปาทพีทิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้ประกอบด้วยพระกรุณาเป็นพระมหามุนีพระองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทรงช่วยเหล่าสัตว์จำนวนมากให้ข้ามพ้นวตฏสงสารแล้วก็เสด็จดับคันทัปรินิพานข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ใช้ให้คนทำตังสำหรับวางเท้าไว้ที่ใกล้พระแท่นศรีหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าทำกุศลกรรมที่มีสุขเป็นผลมีสุขเป็นกำไรแล้วเป็นผู้ประกอบแต่กรรมดีได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเมื่อข้าพเจ้าผู้มีความเพียรพร้อมด้วยกรรมดีก้าวเท้าไป ต่งทองก็ผดขึ้นรองรับนรชนเหล่าใดได้ยิงคําว่าพระพุทธเจ้านรชนเหล่านั้นนับว่าโชคดีการที่พวกเธอทำศัการะในพระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้สุขอันไพ่โบลนับว่าเป็นลาภที่พวกเธอได้ดีแล้วแม้กรรมข้าพเจ้าก็ทําไว้ดีแล้วข้าพเจ้าประกอบการค้าขายไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าทำต่างสำหรับวางเท้าถวายจึงได้ต่างทองคำเมื่อข้าพเจ้ามีกิจธุระบางอย่างที่ต้องเดินทางไปสู่ทิศทางใดๆข้าพเจ้าต้องเหยียบไปบนต่างทองคำในทิศนั้นๆ น, น, นี้เป็นผลแห่งกรรมดีเกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ใ น, นครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างสำหรับวางเท้า กิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าเขาเผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้ากรถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เข้าพเจ้าได้มาสํานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพเจ้าได้บรร ล, ลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลเรืทราบว่าท่านพระปาทปีทิยะเถระได้พาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปาทปีทิยะเถระประทานที่แปดจบเก้า เวทิการะกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระเวทิการะกะเทระพระเวทิการะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สร้างภัยทีอย่างสวยงามไว้ที่ควงไม่สนอันประเสริฐอันเป็นที่ตรัสรู้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระแล้วทาจิต ข, ของตนให้เลื่อมใส เครื่องใช้หลายชนิดซึ่งเลิศโอลานทั้งที่ทําเสร็จแล้วและยังทําไม่เสร็จตกลงมาจากอากาศนี้เป็นผลแห่งการสร้างภายทีในสงครามทั้งสองฝ่ายประชิต ก, กันน่าสะพรึงกลัวเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปก็ไม่พบสิ่งที่น่าหวาด ก, กลัวเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างภายทีวิมานที่งดงามและที่นอนซึ่งมีค่ามากดังจะรู้ความดาริของข้าพเจ้าก็บังเกิด นี้เป็นผลแห L ่งการสร้างภายัยทีในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้สร้างภัยทีไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห L ่งการสร้างภายัยทีกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าข้ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ท่านพระเวทีการักะเทระได้พานสิทธานเหล่านี้ด้วยประการศนี้เวทีการกะเทราประธานที่เก้าจบสิโพธิคระการกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระโพธิคระการกะเทระพระโพธิคระการกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ให้คนทำเรือนโพถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ข้าพเจ้าเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ในเรือนแก้วความหนาวความร้อนหรือลมไม่ได้ถูกต้องตัวข้าพเจ้าเลยในกลับที่65นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ วิสุกกรร ม, มเทพบุตรได้เนรมิตนครชื่อประสิกะยาวสิโยต์กว้างแปดโยน์เพื่อข้าพเจ้าในนครนั้นไม่มีไม้เครือเถาและดินเลยวิสุกกรร ม, มเทพบุตรเนรมิตประสาทชื่อมงคลยาวหนึ่งโยต์กว้างครึ่งโยต์เพื่อข้าพเจ้าเสาประสาทแปดหม่นสี่พันต้นล้วนเป็นทองคําพื้นสําเร็จด้วยแก้วมณี หลังคาทําด้วยแผ่นเงินวิสุกรรมมเทพบุตรเนรมิตตัวเรือนสําเร็จด้วยทองคําล้วนเขาพระเจ้าได้อยู่ครองประสาทนั้นนี้เป็นผลแห่งการถวายเรือนโพเขาพระเจ้าได้สวยผลทั้งปวงนั้นในภพทั้งที่เป็นเทวดาและที่เป็นมนุษย์ในวันนี้เขาพระเจ้าบรรลุนิพพานซึ่งเป็นสันติบทอันประเสริฐเนกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป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 ท่านพระโพธิคระกากะเทระไดพาสุทธิขาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้โพธิระการกะเทราประธานที่สิบจบวิเพทศกิวัคที่สี่สิบห้าจบบริบูรณ์รวมอาประธานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งวิเพทกะพีชยเทราประธานสองโกลทยกะเทราประธาน สามเวยลุวะภริยะเทราประทาน 4. พันลาตกะทายกะเทราประทานหอุมาปุพิยะเทราประทาน 6. อัมพาตะกิยะเทราประทาน 7. สีหาชนิกะเทราประทาน 8. ปดาทับ ป, ปีเทยะเทราประทาน 9. เวทิกรกะเทราประทาน 10. โพธิคระ ก, รกะเทราประทาน ในวักนี้บันดิตนับคาถาได้เจสิบเก้าคาถา